สาชนรุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบก บ, บรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องของมโหสถบัณฑิตตามเดิมข้าก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสถบัณฑิตได้สั่งบรรดาเพื่อนเริม่มร่วมตายเพ่ที่จะกล่ว่าสหาชาติพันคน จัดว่าเป็นทหารเอกอมหาศดไปทำลายวิธีพระเจ้าจุล น, นีพรมทธ์ที่คิดจะฆ่าพระมหาหัตถ์ร้อยเอ็ดอระอง์ดยการเลี้ยงสุรายาเมานี่แหละมันลาลูกหลานทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนฉลาดย่อมคนโง่ย่ม อ, อยมเป็นทาสของคนฉลาด ราชาร้อยเอ็ดเป็นครในความจริงตั้งร้อยเอ็ดเมืองแต่อาศัยที่พระเจ้าจุล น, นีสมทัศน์คบังคับนิดหน่อยก็ยอมจำนนแล้วขยาค่าตนตนก็ยังไม่รู้เขาจะเลี้ยงสุรายามาเป็นการฉลองชัยชนะแต่เธอก็บอกว่าเพื่อความสแสดงความเป็นนิส เมื่อเขายึดประเทศได้เขาบอกว่าเวลาที่ล้อมเขาบอกจงอย่ารบเลยเรามานี่เราต้องการทรัพย์สินเท่านั้นความเป็นกษัตริย์ของท่านนะ่ะท่านเป็นอยู่แบบไหนท่านก็เป็นแบบนั้นเราไม่ต้องการสิ่งเจ้เลือดแทจ้จริงเจ้าเกวัต้นคิดต้องการให้พระเจ้าจุล น, นีพมทัดฆ่ากษัตริย์ทั้งหมด ต้องการเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองในชมพูทวีตมดนี่คนโง่เท่านั้นที่เขาจะคิดแบบนี้คนเฉนลายเขาไม่คิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการปกครองประเทศเดียวก็ตามหลายประเทศก็ตามหรือว่าปกครองทั้งโลกก็ตามผู้ปกครองบคุคคลคนนั้นมันก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ เหมือนลูกหลานทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังว่าคนที่มีอำนาจวาสนาที่สุดเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาตายแล้วเขาแบบอะไรไปได้บ้างแม้จะชื่อเสียงที่เขามีอยู่เขาก็าไปไม่ได้ชื่อจัดก็เปน็นนามธรรมเวลาไปเกิดใหม่มันต้องอาศัยฝังความดีและความชั่วเรื่องนี้ก็พอยกยอดไป เป็นอนวุวาเมื่อ ม, ะมะโหสถบัณฑิตส่งทหารเอกพันคนเปนไปทำลายวิถีแล้วเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงพระเจ้นาจุลนีพรมทัตพระเจ้นาจุลนีพรมทัตก็ส่งพระบิโรธที่ถูกทหารแห่งกรุงมิธีลามหานครทำลายวิถีของระองค์แล้ว่าทำให้สุราที่เกียววิทยาพิษ พีเวรกปไปแล้วตรงสูญเสียไปนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าจนานีพรมทัตโกรธาะว่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ทั้งหลายเล่านั้นได้โดยอุบายของตนแล้วฝ่ายพระราชาหน้างโง่ทั้งร้อยหนึ่งคนก็ทรงพิโรธโกรธกระหายข้งกรงมศิลาเหมือนกันที่โกรธก็มาโกรธเพราะว่ามาทำให้ตนต้องอดดื่มโุราไปตามๆกัน นี่เขเรียกว่าโรคสุราพาไปเมาในชีวิตเกินไปก็อาศัยความโ ง, ง่เป็นทั้งคันตัวเองจะต้องตายเพราะสุราสุราชุดนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดคิดว่าอย่างเดียวจะกินอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนไร้ปัญญาเป็นคนหนัวเหงื่อยากัวเหงื่อยากที่ค่ายง้อกินแต่ว่าวันดาผู้ทันหลายเ้านั้นหารู้ไม่ว่าสุรานั้นแหะเขาเจือยาพุ้ยคุ้ยเพื่อฆ่าตัว เมื่อตัวไม่ได้กินสุราตามนัดหมายก็เลยโกรธฝ่ายพรทหารที่กําลังทหารพระเจ้าจุล น, นีสมรรถพวกนั้นก็อยากจะดื่มสุราหม่กันไอ ส, สุราวันนี้เนี่ยมันเป็นสุราชั้นดีที่สุดทหารการบริโภคกป็นกับกแกล้มก็ทําดีที่สุดเป็นเษกษตรเขาอยากจะกินหม่กันเมื่อไม่ได้กินก็ขัดใจทหารกรมศิลา ทำให้ผูฟฟ้ตนที่อดอ ด, ดื่มสุราชนิดที่มีมูลค่าหาไม่ได้หมายความว่าไอ้เล่าเล่าอย่างนี้สุราอย่างนี้ไม่เคยกินมาเลยพระราชาของเราใจดีมากวันนี้ลงทนหนักไม่ได้กินก็เลยเกลือเป็นอันว่าทุกคนต่างคนต่างโกรธเกวัตก็โกรธแต่ว่าเกวัดนี่ยแกถึงแม้จกเกเกก็ยังเป็นคนมีปัญญา ในตอนนี้เราข้อเรื่องทนบอกว่าพระเจ้าจรณีธรรมทัตยกกองทัพล้อมกรุงศรีรามหานครนี่ถ้าเราจะพูดพูดกันไปแล้วก็คล้ายๆกับประเทศเราเวลานี้ประเทศของเราเวลานี้นะถูกคนล้อมก็อยู่รอบด้านประเทศบ้านใกล้เร็งเคียงขึ้นพม่า ก, ก็ดีเขามีลัที่เป็นลัที่อื่นไปแล้ว โยนคนดีลาวคนดีเขมงคนดีเธอตกเป็นท่าของลัที่อื่นที่เรียกว่าละที่ธาตไปแล้วเหลือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวกําลังอยู่โดดเดี่ยวที่ค้าจุนแก่ลัที่ประเทศนีอยู่เราจะเป็นท่าเขาจะโตนานได้เขาหรือไม่อาศัยปัญญาของพวกเราถ้าเรามีปัญญามันก็พ้น อ่าพวกเรายังมัวเมาอยู่ในลาบยศชนเสรนสุกแกงแย่งแข่งดีสิ่งอะไรกันเนถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างเถียงกันเรื่องกฎหมายบ้างอยากจะมีอานาจวัสนาบ ร, รมีบ้างคนพวกนี้หลปู่ว่าไม่ใช่คนดีหรอกคือรัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายของรัฐบาลก็ดีหรือว่ากฎหมายก็ดี ที่มีไว้ถ้าจะเปรียบกันก็นเหมือนกับเสื้อและผ้าเนู้ถ้าหาว่าคนใช้ดีมันก็มีประโยชน์คนใช้ดีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับลูกหลานท่านหลายถ้ายัางไม่ลืมจะมองเห็นว่าสมัยหนึ่งมีบุคคลบางพวกมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่คนพวกนั้นไม่ได้เคารพในกฎหมาย ไม่ได้เคารพในทรัพย์สินของประเทศไม่ได้หวังดีต่อประเทศคนเผาสถานที่ราชการเผาอาคารบ้านเรือนทำลายชีวิตมนุษย์แล้วก็แกล้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติย่อยยับทั้งๆ ท, ที่กฎหมายบ่งไว้ชัดว่ามีความผิดทางกฎหมาย แต่คณนะคนเพื่อประเภทนั้นพวกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยมันจะคิดหายบันไดยังไงก็ช่างมันลอยไปตามเรื่องนี่แหละหลวงปู่ท่งนนี้บอกว่ารัฐ mm hmm. ธรรมนูญก็ดีนโยบายรัฐบาลก็ดีกฎหมายก็ดีมันเหมือนกับเสื้อแั็คเก็ตแค่คนใช้ดีมันก็ดีถ้าคนดีเข้าไปใช้ไปควบคุมมันก็ดี ถ้าคนไม่ดีเข้าไปสวมเสื้อสองเก่งไอ้เสื้อเกงมันก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับกฎหมายแล้วนโบยบายรัฐ บ, บาลและทํมามนูนจะเขียนยังไงก็เขียนไปเถอะไม่ว่าจะไม่เขียงก็ได้ถ้าได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศมันก็มีความสุขขอจะขอพูดเลยสักนิดหน่อยได้ไหม มันมีอยู่สมัยหนึ่งคือต้นสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นผู้แทนนรันดอนเป็นคนดีมากแต่ถึงเวลานี้หลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าเขาเลวแต่มันมีสมัยหนึ่งที่น่าตำหนิว่าผู้แทนนรสันดอนขเขาไปก้าวไก่กับงานบริหารของฝ่ายรัฐเขาไปก้าวไก่กับพลังค่าในการประจํา แต่ความจริงเขาในการประจาบางค น, คนก็ควรจะก้าวขาันไม่ขันถ้าเขาไม่ดีอันนี้เราก็ไม่ขอพูดกันเพราะสมัยนั้นมันเป็นสมัยปันป่นปนรู้สึกว่าอะไรอะไก็ไม่ดีไปหมดมาตอนนี้เรามาคุยกันที่คนคนหนึ่งในสมัยนั้นหลายคนที่เขาดีวันนี้ถ้ามาเอิญพอดีเสียสุนัขขนะ่าหอนกับโรดทราบ ว่าไม่ได้ปิดประตูห้องบันทึกเสียงอาจจะมีเสียงสุนัขเห่าเข้าขมาก็ดีเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติเป็นอนุนว่ามีสมัยนั้นผู้ทายลสนลอยก็ดีดีมากสมัยนี้ก็ดีสมัยไหนก็ดีทั้งหมดที่ว่าดีทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไปถามตัวเขา คนทุกคนเขาจะบอกว่างานที่เขาทำดีทุกอย่างถ้าไม่ดีแม้เขาไม่ทําคสิทิโบราณไม่ด้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปแต่ว่าคําว่าดีในที่นี้ต้อมาดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรม น, นูญดีตามบทบัญญัติในนโยบายที่วางไว้ ดีตามบทบัรยายนของกฎหมายดีตามประเพณีนิยมดีตามศีลตามธรรมถ้าดีอย่างนี้เราจรึงจะทรงเส็ว่าดีแต่คนนั้นก็ต้องมีสัจธรรมเป็นนั้นว่าสมัยไหนก็ดีแต่ขอยกกลมาสมัยหนึ่งคือสมัยที่เจ้าุณญพบนคือพันเอกพยาปัญพนพยาญาเสนายศเวลานั้นท่านเป็นพันเอกท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้แท น, นรัศดรสมัยนั้นไม่มีพรรคการเมืองแต่ถ้าว่าดูถ้อยคำที่พูดมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีผู้แทนอยู่คนหนึ่งนี่เขาจริงเขาดีกันทุกคนนะยกตัวอย่างคนเดียวถ้ายกตัวอย่างมาทั้งเจ็ดสิบคนแล้วไม่ต้องพูดกันลนะเรื่องอื่นคือนสว่างถ้าจำนายสวางคนมาสิบคนจะเป็นสนิทกัน ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีเวลานั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกว่าข้าหลวงมีบรรดาศักดิ์เสือโลอัดไม่ไม่ทราบประหลงทายว่าอาันอะไรอัดเวิจิตแล้วอัดอะไรก็ไม่ทราบเช่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ดูท่าทางทั้ ง, งสองฝ่ายไม่เคยถูกกันโดยงานและเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตรงกัน นายสว่าดสนิทภัยคนนี้เขาสมาัครเป็นผู้แทนรัศดรระวังให้ดีนะลูกหลานที่รักต่อไปท่านหน้าลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศจะต้องรับผิดชอบเรื่องของประเทศลูกหลานที่รักที่ฝั่งนี้จงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถเมื่อผู้ใหญ่ตายไปหมดเราก็ต้องเป็นผูยย้ใหญ่การบริหารประเทศชาติจะอยู่ที่พวกเรา ถ้าจะเจริญเนื้อชาติจะเสี่ยงโยที่เราดีที่เดีที่เราเลวตัวอย่างนักบริหารคนก่อนเราหรือข้าราชการที่รับราชการก่อนเราใครทําดีแบบไหนใครทําเลวแบบไหนจํำมันสองอย่างส่วนที่เลวโยนทิ้งไปส่วนที่ดีเก็บมาในสวามิชนิตภัยคนนี้แกเป็นนะักเป็นผู้แทนรัชดรที่ตรงสัจจะจริงๆ ไม่มีความมุ่งหมายที่ต้องการเป็นรัฐมนตรีและก็ไม่ต้องการจะเป็นเลขา ก, การไม่ต้องการเข้ามาแย่างงานเขาฝ่ายบริหารถ้าคนที่เขาต้องการอย่างนี้แล้วก็ถ้าลูกหลนน า, านมีอำนาจในการเลือกจองเลือกเขาไปแต่ใครเขาบอกว่าต้องการเป็นรัฐมนตรีได้ยาเลือกเขาไปเลยให้คนที่บ้าลาบบ้ายศบ้าโดนเสินบ้าสุข ม้าประเภทนี้ไม่ควรจะเลือกเข้าไปเพราะมันเป็นคนเลวเวลาจะเลือกเข้าไปมาบอกจะเป็นผู้แทนเราถ้าเขาไปเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่ได้แทนเราแล้วเขาแทนตัวเขาเขาไม่ห่วงใหญ่อะไรเราแล้วถ้าผู้แทนที่ดีเขาจะต้องหวังว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนข้ามดาประชาชนที่เลือกเขาเข้าไปโดยไม่หวังลาบสการะและปการที่สองต้องไม่ขายตัว ไม่เห็นแกนเงินยานาสวาสนิทพันน้เวลาหาขนาดเสียงแกใช้วิธีเดินไปตามหมู่บ้านไปกันสองสามคนไปถึงตัวกันเลยขอเสียงและรับรองจะเป็นผู้แทนที่ดีที่สุดเมื่อเวลาที่ได้เป็นผู้แทนแล้วไปเยี่ยมอยู่ั้างหนึ่งทุกหมู่บ้าน เดินไปไม่ได้ไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้แทนแล้วก็คิดว่าตัวเป็นเทวดาโตกว่าคนแล้วเป็นเจ้าในคนที่คนเลือกไปทุกบ้านไปบอกว่าผมมาเยี่ยมคราวเดียวนะครับเพราะว่าทั้งจังหวัดแต่ผมเดินไม่ไหวถ้ามีเรื่องอะไรทุกร่านหาผมที่สพนักงานเวลาไปที่ไหนเขาเลี้ยงแกงหมูแกงไก่แกงไม่กินแต่เขาเข้าโควบ้านอื่นกินนะ้ำพริกน้บบาปลา กูอย่างกันเองมีสพนักงานอยู่ที่จังหวัดเมื่อใครเข้ามาเล่าเรียนอะไรในสว่างก็พิจารณาแต่ก็เป็นนักกฎหมายเห็นสมควรเป็นเบิกการใดถ้าฟ้องร้องกันใครก็าข่มเหงเป็นท่านนายให้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างว่าความไม่ฟรีเห็นว่าพอจะชี้แ จ, ง ใ, ง, จงให้ตกลงกันได้ดีๆเขพยายามชี้แจงให้ตกลงกันมีสมัยหนึ่ง จอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศรัฐนิยมขึ้นมาให้มันดาแพทั้งหลายจอดในลำน้ำยกขึ้นบกให้หมดคุณหลวงอัจท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็ไปแจ้งให้เหละดสอทราบว่าตอนยกขึ้นเอาขึ้นบกให้หมดไม่เกกะลำน้ำไม่เะนั้นจะมีความผิดแล้วสดอดรัก็วิ่ไปหานสวาสนิพัน นายสว่าสนิทพัยก์ไปต่อรองกับหลวงอัดว่าขอ่อนไปแปเดือนคุณหลวงอัดท่านเป็นผู้ว่าเป็นข้าราชการประจำถ้าเราเคร่งครัดในหน้าที่ของท่านว่าไม่ได้แปดเดือนไม่ได้หรอกเพราะว่าทางรัฐบาลสั่งมาอย่างนั้นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งโฮโฮโฮของผู้บัาชา จนนาสว่างสนิทพันบอกว่าถ้าแปดเดือนไม่ได้เขาจะไม่ยอมให้มันดาไปทายชนยกแผรขึมม้นบรรพกุรุษขาดเพราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายถ้าต้องการอย่างนั้นให้ออกกฎหมายมามบังคับอันนี้ความจริงก็ขอยกยอ้อนล่าสองคนทั้งคุณหลวงอัศผู้ว่าราชการจังหวัดและนสว่างสนิทพันต่างคนต่างทาหน้าที่ทดีๆของตน คุณหลวงอคนนี้ก็เช่นเดียกันเป็นผู้ว่าราการจังหวัดท่านไปตามอำเภอต่างๆท่านไปหมู่บ้านไหนก็ตามไม่มีคนรู้จักท่านนะบางมีอยู่แลว้วก็เกือบจะทุกคราวที่เ่านไปบางทีท่างขึ้นไปบนอำเภอใดอำเภอหนึ่ไ ง, อองไอ้ในเวลาที่เขาไปกินข้าวกันน่ะท่านก็ย่องขึ้นไปพนักงานมันก็ว่าไปเจอคนแก่คนเฒ่ า, ค น, าคนที่ ไปรอเขาเลยการทํางานแต่เขาไปกินข้าวอยังไม่กลับเพราะว่าล่เช้าไปหน่อยท่านก็ไปถามว่าคุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณพี่มาธุรอะไรเขาก็บอกความประสงค์ถามว่ามาคอยนานหีือยังเขาบอกเบอกว่าคอยนานแล้วท่านบอกว่าเป็นไรคนช่วยทําให้เข้าไปเขียนให้เลยเป็นเสมียนสะเองใครการไม่เห็นเขาก็ตกใจระทายจิงให้เจ้าเมืองนะขนาดเจ้าเมืองมาทํางานแบบนี้ เป็นอนุภาท่านทำแบบนี้เป็นเหตุให้ขการาชการในเขตที่ท่านปกครองอยู่เป็นคนดีไปหมดแม้การปราบปรานโจรเทวร้ายก็เหมือนกันท่านไปตัดตารวจดีไม่ดีตารวจกําลังจรินข้าวอยู่ถ้ากินอิ่มก่อนแล้วคนเดินขึ้นมาวิ่งไปคนเดียวเป็นอนว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไปด้วยและข้าราการไปด้วยจำต้องรีบอิอ่ตตามท่านไป นี่ท่านทํางานประเภทไม่เสวียตายก็ถือว่าเป็นริการที่ดีเป็นคนที่คนที่ควรชมสําหรับนายสวาวสินิพันธุ์ก็เช่งเดียวกันก็ต้องควรชมเหมือนกันเป็นนั้นว่าสมัยนั้นผ่านไปพอสมัยที่สองนายสวาวสนินิพันธ์ไม่ต้องไปหาเสียงในตนเองเป็นจะใช้กันดายกว้างประมาณทักษีนิว้วยาประมาณเสน่ห์ฟุต เขียนชิวเสียนบาคบ่ายเจ้านายสวา่าผลิตภัณฑ์ราขอสมัครเป็นผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็บอกหมายเล่ไปแปะไว้ทนนั้นในคะแนนท่วมทน้นให้โรงหลานที่รักย้ำไม่ว่าถ้าโตไปในวันหน้าถ้าต้องการจะเป็นขา้าราชการที่ดีก็ดูตัวอย่างรล้อัไม่รู้อัตธวิจิตจะอ่าแต่ไหลใตแล้วไปยังก็ไม่ตัด หงปู่ก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านแท้ๆได้ได้ยินจะเพียงรักษันดอนก็พูดให้ฟังแล้วก็ถ้าจะเป็นผู้แทนที่ดีก็ดูตัวอย่างผู้แทนอย่างนายสว่างสนิทพันเวลาเกิดก็ดีขึ้นว่าความฟรีตั้งสำนักงานตัวเองไม่อยู่มาไปชุมน้องชายคือ น, นสวางสนิทพันก็ทำงานแทน แล้วก็ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเทาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ปไปตามกฎหมายผู้แทนจะไม่ยอมได้ขาดเพราะธนูหมายนี่เรื่องนี้ ล, ลูกหลานที่รักถ้าจะมาเออนจะเลือกผู้แทนและกระดดผู้แทนด้วยถ้าคนไหนเขาปฏิบัติตนอย่างนี้สนับสนุนเขาถ้าเขาเข้าไปแล้วไปนั่งแย่งเก้าอี้กันไปรัฐมนตรีที่หลังจําหน้าไว้ อย่าเลือกเข้าไปได้ใครคนประเภทนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้หวังดีกับรัศดรที่เลือกเข้าไปในใบการเลือกสองเวลาที่เขาจะสมัครเป็นผู้แทนถ้าเขาหาเงินมาให้ท้าของมาให้คนที่าเลือกเพราะการที่เขาแจกเราเขาต้องการผลกาไรถ้าเราเลือกเข้าไปนั่นแหละเงินทอที่เสียภาษีเขาเสียภาษีเข้าไป จะกลับกลายเป็นทรัพย์สินของเขาแทนที่จะมาบำรุงประเทศชาติทำประชาชนให้มีความสุขวันนี้เขาเวลาลูกหลานที่รักเพื่อความเข้าใจว่าจะไปโต้เถียงกับเขาในะเรื่องกฎหมายกนดีเรื่องนโยบายกรัฐบายก็ดีและรัะจำนวนก็ ด, กดีความดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่คนปฏิบัติ อย่างรู้อัด จ, จะไม่มีใครเข้าไปแนะนำไม่มีข้อบังคับว่าผู้ว่าราการจัหวัดต้องไปทำงานแทนสมิญ น, นี่กฎหมายไม่ได้มีบังคับแต่ท่านเป็นคนดีของท่านเองเป็นข้ารการที่คนบูชายอย่างยิง่งถ้าลูกหลานเป็นข้าราการบ้างทำตามนี้นะตายไปแล้วยังมีคนบูชาเวลานี้ไปยังวัดสุพรรณบุรี คนที่เขเคยอยู่ทันสมัยท่านเมื่อพูดทางล้งลอาจจะมาเวลรมะไรก็ยกมือท่วมพิสั์มันนั้นและคนที่รู้จักในสว่างสนิทพันเมื่อพูดทั้งชื่อในสว่างสนิทพันมะไรเขายขกมือท่วมพิสามมันนั้นยความยินดีบางคนถึงกับ น, น้าตาไหลเรียนายคนสองคนว่าเป็นคนดีจริงๆเพราะต่างคนต่างเครื่งคัดในนาทีนี้คนดีอย่างนี้ลูกหลานต้องจํา จำแล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วลูกหลานจะเป็นคนดีไหมคนสองคนนี่เวลานี้เหลือเวลาห้านาทีลูกหลานเ อ, อ้ยเลนด้เรื่องเรื่องพระเจ้าจนานุนนีประมาทขโมยสดจะได้เวลาน้อยเปหน่อยแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานที่รักทุกคนกําลังน่าฟังเป็นคนดีหวังว่าจะส่งความดีนี้ไว้เล่าเรื่องขโมยสดเป็นเรื่องอดีต แในคนสองคนเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นสมัยรัตนโกสินทร์น่าสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วอยากอำนาจเขระมหากษัตริย์มาเป็นอำนาจปกครองอย่าลืมว่าคําว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าตามใจตนคําว่าประชาธิปไตยมีรอประชาชนเป็นใหญ่ก็หมายความคนทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายจะ อ, อยู่ในต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรม น, นูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องรักษาเคารพระเบียบประเพณีนิยมและก็มีศีลธรรมยียงจะเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สมารสมัยประชาธิปไตยเปลืองเพราะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยะอะไรดูกันไม่ได้เลยเผาบ้านเผาเมืองไปชุมใดคนนู้นใดคนนี้ที่กฎหมายก็ไม่มีใครทํำร้ายนั่นคือตั้งชั้นไม่ได้ประชาธิปไตย เรียกที่เรียว่าที่เรียกว่ารับ ท, ท, ที่โจรต่างหายอย่าทำในลูกหลานที่รักนี่วันนี้ก็ขอต่อเรื่องพระเ จ, จ้าจุลนีอมื่อเขาสดอีกนิดหนึ่งเป็นอนุวาเมื่อพระเ จ, จ้าจุลนีพรมทัตและก็สัตว์ทั้งร้อยเอด็ดพระองค์ถ้าอนนั้หมดโกรมโธมาโหสุดตายว่าโหสดุดพระเ จ, จ้าจุลนีพรมทัตยึงเรียกพระราชาเหล่านั้นมาและสั่งว่า พวกท่านจงไปกับข้าเจ้าไปจับพระเจ้าวิทธราชมาตาเขียนแล้วก็จัดให้เป็นทันทอนเออหัวขาดตายแล้วสับจะเกิดเปลี่ยวอะไรถ้าเรื่องความมาโหนะฐานที่องอาจชัดงตรงตังให้ทหารมารังควานถ้ความชัามัรงเขาพวกเรานี่เรากาลงังจะกินเล่าให้น้อยนะมาโกงกันได้ แล้วก็สัเตรียมกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบคือคนเดินเท้าเขาเรียกว่าจ่าตรุงเกษต น, นาจ่าตรงเกษตรนาที่หมายถึงกองทัพเราคือกองทัพช้างเราหนึง่งกองทัพรถเราหนึง่งกองทัพมา้าเราหนึง่งกองทัพเดินเท้าเราหนึง่งมีกําลังมากมายรวมแล้วมันเป็นทั้งหมดทั้งหนึ่งร้อยสองประเทศหมายจะยําเหยียบ พระองค์มีสิริลานหมาหนครให้เป็นหนักในคิสต์ตาเดียวแม้แต่ว่าท่านเกวัดบริหิจจะทูลทัดทานว่าพระองค์อยากไปในเะมืองนั้นไม่ได้โมโหสถดีสําคัญมากเป็นคนมีปัญญามากแต่ใส่ที่พระองค์เป็นกษัตริย์มีคตยาานะิยะมณะก็ไม่ยอมเชื่อแล้มีมีความเมาในความเป็นใหญ่คิดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด น้อยนะ่าจะมีใครมาลบเหลี่ยมลบคมกันนี่มันไม่ได้นี่ตุลาีิรักการไม่ใช้ปัญญาน่ยเสียท่าเขาภายหลังอย่าใช้ปัญญาใช้ความรู้หรือว่าอยาใช้สัญญาก่อนปัญญาว่ากันต่อไปพอได้เวลาก็ยกกองทัพออกจะออกไปสรายชาติตังร้อยเอกระ อ, องค์ก็ยกกองทัพอีกร้อยหนึ่งกองทัพตามไปโดยใหม่ เพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่ากรุงมิชิลามหาครต้องย่อยยับพังกันแน่แต่ว่าจะพังแล้วไม่พังวันนี้ต้องปูงฟุ้งไปฉะนั้ก็ร่ลานที่รักเวลาก็เลยหมดเป็นนั้นว่าเพียงยกกองทัพไปก็แล้วกันยังไม่ทันจะถึงก็สมมติว่ามันค่าเช้า ก, ก่อนมันนอนพักกันดีไหมมองดูเวลามันหมดแล้วก็พักเช้ ก, ก่อนต่อวันพวงนี้ค่ว่ากันใหม่ ถ้ามาวันนี้ก็ขอยิติและก็ลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัะชนะมงคลสมบูรณ์ุลผลจ็มีดลูกหลังที่รักทุกคนสวัสดี